พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบสองลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกอบลมพระหลังสวดปาติโมมีชื่อเรื่องว่าศีลของพระพระจะต้องรู้กะวันพุ่งนี้ก็คงจะเป็น ขึ้นหนึ่งคำเดือนห้าแล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถเดือนสี่ดับใครเขาว่าเดือนสี่หมดเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วก็เดือนต่อมากกหเพนเดือนหเพแต่ถึงยังไงเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเดือนห้าเยเมษานี วันที่สิบสามเมษาเป็นวันสงกรานคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องก็มากพอสมควรแต่ที่ยังไงพร ะ, อะของเราขอขอให้อยู่ในกรอบ อ, อยู่ในความสงบปฏิบัติธรรมอย่างเก่าเนี่ยแหละใครจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของโลกนันะเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมเราต้องอยู่ในความสงบดูกายดูใจของเราอยู่ตลอด ในวันนี้เป็นวันอุโบสถที่เราลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้อันนี้เกี่ยวกับวินายศิลและวินยเราสวดพระปฏิโมกขบจบลงไปนั่นคือสวดเป็นบาลีทั้งนั้นแต่ความแปลและความหมายท่านสวดเรื่องของศิลศิลของพระศิลส2 7ินี่แหละเอาขึ้นมาพูดทุกถึงเดือนเพื่อทบทวน ทบทวนเพื่อจะให้พวกเราได้ศึกษาแต่ทำไมฟังดูแล้วไม่เห็นจะเข้าใจที่ตรงไหนแต่ตามไม่จริงถ้าเราอยากจะเข้าใจก็มีในเมื่อยกเป็นประเด็นแล้วถ้าเราฝ่ายในการศึกษาเราก็ต้องค้นคว้าทีนี้พระวินในสินพระปฏิโมกที่สั้นสวดลงจบลงสักครู่นี้ มีความแป ล, แลมีความหมายว่าอย่างไงก็มีหนังสือเล่มเล็กๆพระปฏิโมกข้างหนึ่งอัดข้างหนึ่งอัดข้างหนึ่งแปลข้างหนึ่งเป็นภาษาบาลีอีกหน้าหนึ่งตรงตรงข้ามกันเป็นภาษาไทยแปลออกมาจากนั้นก็นวโกวาทที่แปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดไม่มีภาษาบาลีในนั้นเลย แล้วก่อนวินัยมุกเล่มหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับขยายความว่าสิกขาบทที่หนึ่งเป็นมาอย่างไรจนถึง227ข้อเป็นมาอย่างไรในวินัยวินัยมุกเล่มหนึ่งจากนั้นถ้าเราอยากสงสยัยเองอยากจะรู้ความเป็นมาของวินัยแต่ละสิกขาบทนี่ใครเป็นองค์ธรรมผิดใครเป็นต้นบัญญัติ องนั้นเมื่อกระทําผิดแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อนี้ที่ที่ไหนที่เมืองอะไรพระสงฆ์เท่าไหร่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติประชุมกันแล้วก็บัญญัติวินยัยสิกขาบทเรื่องนี้เพราะนั้นเราถ้าเราใฝ่ในการศึกษาเราก็จะรู้ได้ทั้งหมดแต่นี้เอาเถอะพวกเราที่เป็นพระนวากาที่บวชมาเพียงเดือนเดียวเราจะรู้ทางพระไตรปิฎก สิกขาบทนั้นคงเป็นไปไม่ได้เอาเถอะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพียงแค่นี้พวกเราพอจะรู้ได้ว่าพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีที่มามีที่ไปแต่สำหรับพระที่เขามาอยู่ตลอดไปหรือว่าพระจะบวชตลอดไปควรจะศึกษาอย่างยิ่งผมอ่านพระวินัยอ่านแล้วอ่านอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกเรื่องวินัยไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างอื่น ศึกษาศึกษาแล้วศึกษาอีกเหมือนกับศึกษากฎหมายนะั่เราจะไปอ่านทีเดียวจบไม่ได้เพราะต้องให้จำจำให้แม่นจำมาตราที่เท่าไหร่ชิค้าบทที่เท่าไหร่ใครเป็นคนกระทำทำณนะที่ไหนถ้าว่าเราอยากทบทวนถ้าเราไม่กล้าพูดเออมันผิดนะพะวินัยตัวนี้ผิดพวินยัยแต่เราไม่กล้าพูดเราก็รู้จักที่ไปที่มาแล้วก็เปิดพระไตรปิฎกเล่มนั้นเลย สิกขาบทที่นั้นเลยอ่านเลยหรือว่าเราจะเกี่ยวกับพินนยนวโกวาสิกขาบทนี้อ่านเลยบทยนยอ่อสรุปแล้วก็คือสินสองยี่สบเจ็ดที่พวกเราได้ฟังจบลงสักครู่นี้สินสองอยี่2ิบนั่นคืออะไรพระพธธุทธญาติท่านกบัญญัติขึ้นว่าภิกษุจะต้องอาบัตินั้นมีอยู่หอย่าง ที่จะตองอาบัตมีอยู่หกอย่างต้องด้วยไมรละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จิตจะเป็นอาบัตหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วคืนทาลงหนึ่งต้องด้วยสาคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่งต้องด้วยสาคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งอันนี้คือภิกษุจะต้องอาบัตมีอยู่หกอย่าง ต้องไม่ละอายเนี่ยไม่ละอายก็ทําอะไรก็ได้ทั้งหมดเป็นพระอรชชีไม่เคารพในศีลและพินัยต้องด้วยไม่ละอายอะต้องด้วยไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติเหมือนกันไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้อถ้าเราไม่รู้แล้วก็ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงท่านบวชเข้ามาแล้วถ้าท่านไม่รู้ท่านพระวินัยท่านจะรู้อะไร เมือ่อเรามาอยู่เมืองไทยผมไม่รู้กฎหมายแต่ไปทําผิดกฎหมายมันผิดไหมผิดเขาต้องจับเข้าคุกได้เพราะเหตุอะไรมันผิดเพราะตอนมาอยู่เมืองไทยนี้ก็เหมือนกันเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านจะปฏิเสธไม่รู้ไม่ได้เมื่อพระเตือนเขามารู้แล้วท่านต้องรับทราบจากนั้นท่านก็ปรับปรุงแก้ไขจะไม่ทําผิดอีกต่อไปถ้าขืนทําผิดอีกต่อไปก็เป็นว่าเราไม่ไม่มีเฮริอไม่มีความละอาย ต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีหิริโอต ป, ปะปะเป็นพระอารัชีอาริชิตาเป็นผู้ไม่ละอายอาแปลว่านี่แหละไม่รู้ก็ต้องศึกษานี่แหละสรุปแล้วก็คือสุดท้ายก็ว่าต้องด้วยลืมสติขนาดลืมสติยังเป็นอาบัตนะอันนี้สิกขาบทของพุทธเจ้าดิ ปาราชิกซิาหมดปาราชิกมีอยูส่สี่ปาราชิกสสังฆาที่เศษสบสาอานยศสองนิจกิยปาจิตีสาสปาจิตีเก้าสิบสองปฏิเทจนิยะสี่เสกิยวัตเจติารวมเป็นสองยี่สบนับทั้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็นสองย ในสินที่เราสวดจบลงศักครู่นี้ตัวศินมาในพระปฏิโมกสินสองร้อยยี่ิบเนอกพระปฏิโมกอีกยังมีอีกนะให้ศินนอกพระปฏิโมกไม่รู้เท่าไหร่หลายร้อยหลายพันอันนี้คือกฎระเบียบในการอยู่ด้วยกันเป็นพระวินยัยทั้งศินพระปฏิโมกก็ดีสินในพระปฏิโมกก็ดีพวกเราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ทั้งนั้น อ่อันไหนควรไม่ควรอย่างไรจ้าเราไม่รู้อย่างนั้นไม่ได้ออย่างภิกษุยาวไว้ผมยาวไม่มีอยู่ในศินสองรอยีสิบเจ็ดนะอ่า น, นี่ว่าสินอภิสมาจารยาวไว้คราวไว้หนวดยาวต้องอาบน้ำอย่างนี้ย่าไว้เล็บยาวเป็นพระวินัยสินนอกพระปฏิโมก์ทั้งหมดเพราะนั้นศิล น, นอกพระปฏิโมก์ก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกัน เราจะมองข้ามไม่ได้อันนี้แหละคือศีลของพระเราจะรู้ได้ยังไงนี่แหละอย่างที่ผมพูดถ้าว่าผู้ที่จะบวชตลอดไปแล้วว่าบวชไม่มีกำหนดเราต้องศึกษาในพระไตรปิฎกแต่สำหรับพระนว ก, กะนี่ศึกษาเป็นแนวทางอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเรืยว่าศึกษาบ้างเป็นแนวทาง ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราลาสิขาไปแล้วก็ให้รู้ว่าศีลของพระเนี่มี227แต่มีศีลอภิสมาจาร์แต่สิ่งไหนก็ตามถ้าเรายังไม่ชัดเจนอย่าไปพูดเพราะว่าเรายังไม่รู้จักชัดเจนไปพูดโมเมียแล้วก็ไปดูถูกท่านผิดผิดถูกถู ก, ถกไม่ได้ บาปกรรมท่านจะตามเข้ามาหาตัวเองเกิดพบใดชาติได้มีแต่คนหาเรื่องใส่ตัวเองนะทาพอเหตไรพราะว่าตัวเองโจ์หรือบอกอาบัติที่ไม่ถูกต้องเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราพระลูกพ้าหลานทั้งหลายให้ฟังให้ศึกษาเอาไว้แต่ว่าความเป็นมาของพระวินัยเกิดมาตรงไหนครั้งไหนสมัยก่อน มีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุรพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ก็ประกาศพระพุทธศาสนาพี่น้งองประชาชนจัทไทยาตยามโยมทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีพ่อค้าประชาชนทุกระดับเข้ามาเป็นแสดงตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็บวชให้แล้วก็ต่อมาก่อยองอื่นบวชต่อไปอีกบวชต่อกัน อคืออย่างพวกเราเนี่ยอพอบวชแล้วองค์นี้มีอายุพรรษาสิบพรรษาถ้าว่าสิพรรษาในบวชให้เป็นอุปชาได้และก็บวชองค์อื่นตัวเองบวชต่อกันนี่แหละในเมื่อบวชมาหลายๆครั้งหลายๆหนองค์นั้นก็บวชองค์นั้นก็บวชพระกระจุยกระจายออกมากทีนี่แต่นั้นก็เมื่อพระออกมากพระวินัยก็รู้สึกว่าจะร่อยหลอ ละรวมเพราะผู้ที่บวชครั้งแรกนะก็เป็นผู้มีจิตศรัทธาได้ปฏิบัติจริงๆภาวนาจนจิตใจสาเร็จมรรคสาเร็จผลพอต่อมาบวชต่อๆกันไปที่ไห้ความศรัทธาความเชื่อในจิตในใจเผยเผยยังเข้ามาบวชแล้วเป็นการเลี้ยงชีพไม่ต้องทำมาค้าขายอาหารมีแต่อาหารที่ดิบๆดีๆทั้งนั้นเพราะเศรษฐีพ่อค้า ศรัทธาญาติโยมเขาถวายเราไม่ต้องสแสวงหาทรัพย์ไม่ต้องหาเงินหาทองเขี้ยวขําย่าคืนทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนทำทั้งวีทั้งวันก็หาอาหารที่ ด, ดีอย่างเป็นพระไม่ได้มาบวชเป็นพระดีกว่าแต่พอมาบวชเป็นพระแล้วทีนี้กิเลสราคะโทสะโมหะความโลกโกดโตกยังมีอยู่พอบวชเข้ามาแลวอยากได้เงินได้ทอง อยากได้ลูกได้เมียอีกทางหากทีนีอแต่พอมีมีความสุขทางหนึ่งแล้วก็อยากได้อีกอย่างหนึ่งนี่แหละทีนี่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วไม่ได้องคนี้ออกนอกครูนอกทางจะตําเป็นจะต้องบัญญัติวินัยเนี่แหละทีนี่บัญญัติวินัยแล้วทีนี่พระพุทธเจ้าองค์ไหนกระทาผิดสัตวทาญาติโจมทั้งหลายกระดูถูกพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกองค์ที่ทําไม่ถูกองค์ไหนปวดเข้ามาแล้วก็ต่างองค์ต่างภาวนาของใครของเรา ได้สำเร็จมักสําเร็จผลแต่ในพอออกไปในทางชั่วทีไหนพระพุทธเจ้าเออไม่ได้นี่ผิดไม่ถูกไ ป, ไ, ปไม่ไปทำทำนองคลองทำบัญญัติพินายปาราชิกสีสังขารที่เศษสิบสามพวกเราศึกษาด้วยสิทสังขารที่เศษปาราชิกสีนั้นคืออะไรคือโทษประหารมีอยู่สี่ประการนี่แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติพอบัญญัติเสร็จแล้วทีวันเดือนสามเพน วันวันมาฆบูชาพระองค์ประกาศหรือว่าตั้งกฎเกณฑ์รัฐธรร ม, มนูญประกาศเป็นกฎหมายเพื่อปกครองสงฆ์วันนั้นวันมาฆบูชาพระสงฆ์พันสรูปมาพร้อมกันที่วัดป่าเวฬุวันกาลันาปุตตะวัดป่าเวฬุวันกรุงราชคฤห์เมื่อตอนบ่ายอย่างนั้นพระองค์ได้ขึ้น แสดงโอวาทปฏิโมกจากนั้นก็แสดงเกี่ยวกับวิไนให้พัสมงได้ศึกษาโอวาทปฏิโมกนั้นท่านว่าสัปปะปาปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศรสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจิตาปริโยรปาหนังการทำจิตใจให้พุทบริสุทธิ์ผ่องใสผ่องแผ้วหนึ่ง เอตังพุท ธ, ธานาสาสนังนี่แหละคือทรรมคำสอนของพระพธธุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราฟังเพียงเท่านี้เราพิจารณาดูเถอะสัปปะปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงด้วยกายทางวกายทางวาจาและทางใจมันครอบรอเออยิ่งกว่ายาครอบครอบจั ก, กรวาลอีกเอกกอกัมมอกอะไร ที่ยาที่กินเข้าไปแล้วตัวบวมนั่นแหละยาตัว น, นั้นน่ะที่ว้เขาว่ายาครอบจั ก, กรวาลอันนี้สัปะปะปาปัสสะาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุัลสูปสัมปดาการทำกุศลให้ถึงพร้อมคือกายวาจาใจามีแต่คิดเรื่องกุศลไม่ทำบาปสัจจิตะปริโยร์ปานัง สําพระใจอีกไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องอีกโลภโกรดหลงออกจากจิตใจอีกอันนี้จะจิตะประโยชปานังเอตังพุทธานาสาถนังนี้แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์นี้นะองค์ก่อนๆ ก, ก็พูดอย่างนี้ท่ะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดอย่างนั้นเลยฮะแต่ใ น, นเมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้แล้วนั้ท่านก็ พูดพระวินัยศึกษาหรือว่าสวดพระปฏิโมกสวดพินัยให้พระสงฆ์ได้ศึกษาจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็จดจําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อย่างพระที่เราสวดเมื่อกี้ปาราชิตสีคืออะไรเมื่อสวดจบลงแล้วครับ อ, อ, อุทเทศขึ้นมาบอกว่าที่เราพูดไปให้พวกท่านทั้งหลายได้ทำถูกต้องไหมออถูกไหมมีใครบ้างในที่ทําไม่ถูก พวกท่านทาัน้งหลายเิ่งเงียบเข้าไปเจ้าจําความนิ่งของท่านว่าพวกท่านบริสุทธิ์ในศีลเหล่านี้ก็ขึ้นสังขารที่เสดสิบสาต่อพอจบสังขารที่เสดก็ประกาศอีกพวกท่านทาั้งหลายได้ฟังแล้วจบลงไปแล้วเนี่ยพวกท่านทั้งหลายได้กระทาผิดไหมถ้าพวกท่านไม่ได้ทําผิดผมออขอประกาศเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายนิ่ง แสดงว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ทำความผิดเอาอเข้าไปเจ้าจำข้อนี้ไว้จนถึงเจ็ดครั้งอ่ะที่ท่านตัดสมาตุ น, นีเอวะเมตังธารยามิรันนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราถ้า น, นั้นพวกเราศึกษาอ่านดูว่าความหมายและความแปลว่ายังไงอันนี้แหละอันนี้คือพระวินัยปกครองสูงถ้าชมุมชนกลุ่มใดข้าตาม อยู่กลุ่มๆใหญ่กลุ่มเล็กตั้งแต่สองสสี่หคนขึ้นไปการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎกติกาต้องมีกฎคุ้มครองถ้ายิ่งเป็นประเทศใหญ่กฎหมายก็ยิ่งเข้มงวดขวดขันละเอียดถี่ท้วนแต่เนี่นพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินยัยเพื่อปกครองสงฆ์นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราเข้ามาบวชไม่อยู่ในศีล ไม่อยู่ในวินยัยออกนอกลูก่นอกทางไม่มีฮิริโอตตะปะพวกเราอย่าวาังเลยการอยู่ด้วยกันจะเป็นผึกแผ่นแต่กันยิ่งกว่าอะไรอีกคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคิดไปแล้วก็ทาอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไม่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเนี่ยสินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของเราตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น เพราะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องศีลและวินยัยเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันอุโบสถเดือนสี่ดับปีพุทธศักราช 2,556 ค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบเป็นวันที่ 10, สิบเมษายนพุทธศักราช 2,556 กำลังขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะที่พูดให้ฟังนี่ก็เพื่อเป็นการเป็นแนวการศึกษา แต่จะให้ลูกหลานไปอ่านตำรับตำราทีเดียวก็คงจะค้นคว้าศึกษาได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่ อ, เ, อเข้ามาอยู่ก่อนพวกลูกหลานสิ่งไหนพวกพวกลูกหลานจะรู้จะเรียนรู้จะศึกษาหลวงพ่อก็พยายามเอาสิ่งนั้นมาบอกกล่าวให้กับลูกหลานเพื่อได้ยินได้ฟังนะถ้าลูกหลานยังไม่มั่นใจวะหลวงพ่อพูดจำผิดถูกยังไงเราจะไปค้นคว้าอีกก็ได้นะ เเพราะว่าตำหรับตำลามีอยู่แล้วอันนี้คือพระวินัยนะตอนนี้ไปถวดท้ายปฏิโมก